สการคานบุญบาประหว่างบุคคลคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกและคุณก็ไม่ได้ทําบุญทําบาปอยู่คนเดียวทั่วโลกเต็มไปด้วยคนที่ทําแบบคุณและยากที่คุณจะทําบุญทําบาปได้หนักหน่วงเหนือคนเป็นล้านๆแต่หากคุณเป็นหนึ่งในล้านประเพิลุกขึ้นมาคิดทําบุญใหญ่เองโดยไม่มีใครชักชวนโดยวิธีทําบุญนั้นคุณเป็นต้นคิด เมื่อทำแล้วได้ประโยชน์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็ยิ่งรุกคืบต่อไปเรื่อยๆราวกับนักธุรกิจที่พึงใจกำไรอันงอกเงยไม่หยุดหย่อนเท่าว่ากำไรในที่นี้แทนที่จะเป็นเงินทองก็เปลี่ยนเป็นความสุขความรู้สึกสว่างสวยัยและรอยยิ้มของผู้รับผลที่ผุดให้เห็นราวกับแถวดอกไม้ในสวนใหญ่บุญอันเกิดจากการทุ่มเทช่วยเหลือคนไม่เลือกหน้าและไม่หยุดย่างเช่นนี้ เกมกรำ ม, มักจัดให้ได้ไปเป็นกษัตริยิ่งระยะเวลาในการช่วยเหลือมหาชนในอดิตชาติต่อเนื่องยาวนานขึ้นเพียงใดระยะเวลาในการครองราชในชาติถัดมาก็นานขึ้นเท่านั้นส่วนจำนวนมหาชนที่ช่วยเหลือให้เป็นสุขได้จะผลดผลเป็นระดับความไภบุญแห่งราชสมบัติและค่าราชบริพารอย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนเคยใจบุญอย่างเหลือเชื่อเหมือนคุณและอเผอิญตกช่องเกิดใหม่ในถิ่นเดียวกับคุณต่างฝ่ายต่างลืมไปแล้วว่าเคยทำบุญอะไรมารู้แต่ว่าเกิดมามีบุญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันหากเคยผูกไม่ตรีต่อกันไว้ก่อนก็จะเป็นสัญญาณ น, นาร่องที่ดีเมื่อพบกันก็เป็นมิตรกันต่างฝ่ายต่างเป็นใหญ่ในเขตของตนทุกเรื่องตกลงกันได้ โดยไม่มีใครเล็งแหลอยากพิชิตเมืองใครแต่หากเคยผูกใจอาฆาตกันและกันไว้โดยยังไม่มีใครคิดเอหโหสิให้อย่างนี้เพียงพบกันหรือเพียงได้ยินกิติศัพท์ของอีกฝ่ายก็จะอยากท้ารบอยากรู้ว่าใครใหญ่กว่าใครแม้ในระดับยอดยังเขม่นกันได้เช่นนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่สำหรับการแย่งชิงอานาจการแย่งชิงดีชิงเด่น ระหว่างคนมีบุญบารมีสามัญดังนั้นการเป็นคนแสนดีใช่หวังได้ว่าผลจะเป็นสุขล้วนตราบใดยังมีปัจจัยคือแรงริษยาหรือความผูกพยาบาทอาฆาตติดตัวอยู่แต่และคนย่อมพบคู่แข่งคู่เทียบเคียงที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเคืองหรืออ่อนด้อยผลบุญจึงไม่ได้ให้ความสุขที่สมบูรณ์ในตัวเองและคุณก็อาจไม่พอใจในผลบุญอันเลิศแล้ว ปราบใดที่ใจยังเต็มไปด้วยม a n a แข่งเขาแข่งเราอยู่ในเวลาก่อบาปโมหะอาจทำให้คุณและคู่แข่งนึกสนุกใครใจถึงใครกล้าทำบาปมากกว่ากันถือว่าเก่งกว่าแต่เมื่อบาปเลิดผลแล้วจะไม่ทำให้คุณคิดอยากแข่งกับใครเช่นใครเป็นง่อยมากกว่ากันใครหูตึงมากกว่ากันฉะนั้น การเทียบเคียงผลกรรมชั่วที่เผด็จผลแล้วมักเป็นไปในรูปที่ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างน้อยก็มีเพื่อนหรือเห็นว่ามีคนที่เขาทุกข์กว่าคุณอีกมากห้า ความคล่องอยู่ในไมตรีและความอาฆาตอันเน่อจากคุณไม่ได้ทากรรมกับตัวเองคนเดียวโดยมากคุณจะทากรรมกับคนรอบข้างซึ่งก็ก่ดให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆหากหนักไปในทางดีก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ขาวทำให้มีไมตรีต่อกันแต่หากหนักไปในทางร้ายก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ดำทำให้เกิดความอาฆาตต่อกัน คนมีกรรมสัมพันธ์ขาวเมื่อพบกันมักรู้สึกเย็นเข้ากันได้ดีและไม่นึกรังเกียจกันยิ่งหากเคยร่วมบุญกันมาก่อนพอมาทำธุรกิจร่วมกันก็จเจริญรุ่งเรืองทันตาเห็นเป็นต้นความรู้สึกดีๆถ้าไม่สะดุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งซะก่อนก็ย่อมกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกลายเป็นแรงเหนี่ยวนาให้ได้ไปพบกันฉันมิตรอีกในเกมกรรมครั้งหน้า คนมีกรรมสัมพันธรร์ดำเมื่อพบกันมักรู้สึกร้อนเข้ากันไม่ได้และนึกรังเกียจกันยิ่งหากเคยฆ่าแกงกันด้วยใจผูกพยาบาทพอมาสบตากันบนถนนก็อาจควักปืนมายิงกันดื้อๆเพราะเวรเก่ากระตุ้นให้เดือดดานวู้วามไปวูบใหญ่สติสัมปชัญญะและความยั้งคิดหยุดชะงักหมดกรรมใหม่ที่ทำเลวร้ายต่อกันย่อมต่ออายุให้แรงอาฆาตยืดยาวออกไปอีก ต่อเมื่อชาติใดาชาติหนึ่งมีซักฝ่ายที่อบรมจิตจนอยู่เหนือความโกรธแค้นอาฆาตมาพบอริเก่าก็ศาสตร์เมตตาดับโทสะในจิตตนสำเร็จก็จะค่อยค่อยเป็นน้ำเย็นดับเลิงในอีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกันการผูกไมตรีและการผูกเวรมักซับซ้อนกลับไปกลับมาแต่โดยหลักคือใครผูกกันไว้อย่างไรก็เกิดเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันเช่นนั้น และเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่ตัดไมตรีหรือไม่อาจเลิกแค้นกันได้อย่างเด็ดขาด 6. ความศรัทธาในกรรมและผลกรรมหากชาติใดคุณมีโอกาสพบครูดีช่วยชีย้ให้เชื่อว่ากรรมทั้งหลายมีผลคุณจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างไป ไม่ว่าดีหรือร้ายเมื่อเชื่อว่าสิ่งดีร้ายและเรื่องดีร้ายทั้งหลายมีได้ก็โดยอาศัยแรงสรงจากกรรมเก่าทั้งที่ทำไว้เมื่อวานทั้งที่ทำไว้เมื่อเดือนก่อนทั้งที่ทำไว้ในปีก่อนและทั้งที่ทำไว้ในเกมกรรมครั้งก่อนคุณจะไม่หลงลาพองไม่คิดว่ามีดีแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่จะอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่ามีดีแล้วควรต่อบุญ เพิ่มคะแนนสะสมที่เป็นบวกยิ่งขึ้นไปและจะโค้งคํานับรับชะตาไม่คิดว่าเคราะห์ร้ายละหมดทางสู้จากการมีท่าทีกับผลกรรมแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจะทำให้คุณสวยสุขทุกทั้งหลายด้วยสติไม่ฝูจนฟ้องเกินเหตุเมื่อสมหวังไม่แฟบจนฟุบหมอบเมื่อผิดหวังด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรอะไรต่างก็เกิดจากเหตุ หากเหตุหมดผลก็หมดไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรและไม่ว่าคุณจะสวยผลกรรมดีร้ายมากน้อยเพียงใดในที่สุดคุณจะได้ข้อสรุปขึ้นมารางๆว่าควรศึกษาเกมกรรมให้ละเอียดละออยยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งคุณรู้เรื่องเกมกรรมมากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นสรุปคือเกมกรรม ซับซ้อนด้วยตัวแปรจำนวนมากแต่ถ้าเห็นตัวแปรหลักๆได้เกมจะง่ายเล่นสบายขึ้นกว่าเดิมมากจบบทที่7รูปประกอบท้ายบทคนหนึ่งบอกว่าจะไม่ไหวอะ่ะทำไมตัวแปรเยอะนักอีกคนตอบว่า นั้นจำตัวแปรเดียววิธีคิดอีกคนถามกลับว่าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอบว่าวิธีคิดคือตัวแปรสาคัญจะพูดหรือทำอะไรได้คนเราต้องคิดเลงในทางดีหรือไม่ดีก่อนเสมอถามต่อไปว่าแล้วจะรู้ตัวได้ยังไงว่าคิดดีหรือไม่ดีอยู่ก็ตอบว่าคิดแล้วนิ่งได้สบายใจนานๆให้สันนิฐานว่าคิดดีคนที่ถามตีหน้าเศร้า แล้วบอกว่าเสร็จกันใจตูดินตลอดสงสัยคิดไม่ค่อยดีอีกฝ่ายจึงบอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอก